ที่ผ่านมาได้ไปงานอาจจะบูชาหลวงพ่อคำเขียนอย่างที่ทราบกันก็ในช่วงที่มีงานน้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างแรกเข้ามา ตอนกลางวันก็มีนักวิชาการมั้งเป็นอาจารย์ชาวเยอรมันที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาด็อกเตอร์มาตินสีเกอร์ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักจากผลงานจากการ สัมภาษณ์ท่านเจ้าคุมพรมคุณาพร้อมเรื่องพิสุทธิล้วดรมาติงก็สนใจเรื่องบทบาทของพิสุทธิีบทบาทของอุบาสิ ก, กาในเมืองไทยทั้งที่เป็นแมช่ชีแล้วก็ เป็นขลือหัดผู้คองเรือนอคนงานหนึ่งที่ต้องเดรมาตีกับเพื่อนอคนไทยนะัะคุณนริศ จ, จรัดจันยาวงได้มาเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคนวงกว้างแต่ว่าในหมู่ คนที่สนใจธรรมะนะยเพราะธรรมะของที่สืบททอดกันมาสมัยเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยก็จะสนใจแะไปพบว่าหนังสือเรื่องธรรมานุธรรมปฏิบัตินะซึ่งเคยเชื่อกันว่าเป็น หนังสือที่เป็นการสนทนาบันทึกการสนทนาระหว่างหลวงปู่มั่ น, นกับท่านเจ้ากุลธรรมเจดีนะจูมันทุโลลูกสิท์เนี่ยแล้วก็เผยแพร่พิมพ์แจกันไม่รู้เท่าไหรนะ่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแนละ้วในช่วงยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาบอก็ว่าผู้ เขียนจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณหญิงใหญ่นะเมธีธรรมศาสานซึ่งก็เกิดเมื่อร้อยสามสิบปีที่แล้วนะก็หลังอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลังสิบกว่าปีได้แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อมาสิกาสิบปีที่แล้วมาตินนักต่อมาตินนี่ก็ ตามติดเรื่องนี้มานาน เ, าเขียนเป็นหนังสื อ, เ, อเขียนเป็นบทความแล้วต่อมาก็หลังก็สนใจก็ เ, เขียนเป็นงานวิชาการแล้วตอนนี้กำลังจะทำเป็นหนังสือรวมทั้งทำสารคดีนะเป็นวิดีโอก็เลยมาขอสัมภาษณ์ มาขอสัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องคอุณหญิงใหญนะ่เป็นการถามความเห็นมากกว่าเพราะว่าข้อมูลแหล่งต่างเนี่ยดรมาตินี่รู้เยอะอยู่แล้วทั้งสองคนนี้ดรมาตินกับคุณณริ์นี่ก็เรียกว่าเจาะค้นคว้าวอยู่นานจนกรทั้งได้เรื่องราวได้ประวัติของคอุณหญิงใหญ่ได้อย่าง ค่อนข้างละเอียดละเอียดในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าไม่รู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรเป็นใครนะศึกษาปฏิบัติอย่างไรบ้างนะแต่ก็คงไม่ละเอียดมากถึงขนาดพิมพ์เป็นหนังสือได้เพราะว่านะคนไทยก็ไม่ค่อยมีการบันทึกกันเท่าไหร่ ก็าจะได้เรื่องราวของคุณหญิงใหญ่มาก็ต้องไปสอบถามคนนั้นคนนี้คนเท่าคนแก่ได้มาเล็กๆน้อยๆก็มาปฏิปะตะกันเหมือนเหมือนจิกซอส่วนเ่าไปเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยมาจากหนังสือนังหาอย่างเช่นไปเก็บมาประโยคน์สองประโยคจากบันทึกของพระพุทธทาส เรียนให้สัมภาษณ์ในเรื่องเราไว้ในัยสนธิยาก็พูดถึงคุณหญิงใหญ่นะประมาณสองสามประโยคแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าหนังสือเรื่องธรรมารุธรรมปฏิบัติที่นักเรลงนหนังสือธรรมารู้จักดีน่าจะเป็นผลงานของคุณหญิงใหญ่นะ คืยิงใหญ่นี่เป็นคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่พวกเราชาวพื้นก็น่าจะได้ศึกษาได้รู้จักเอาไว้ด้วยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นลูกของเป็นคนชั้นสูงนะเป็นลูกของรัฐมนตรีเสนาบดีสมัยรัชกาลที่ 5, ห้ามั้งแล้วก็ สมัยก่อนก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะก็ต้องเรียนกันนะในในสํนนักหรือว่าในในบ้านแต่ว่าคุณยญิงใหญ่นี่สนใจธรรมะตั้งแต่เล็กเนะนะเล่าว่านี่อายุตอนเป็นวัยรุ่นนี่ก็ท่องคาถาธรรมบทได้หมดนะคาถาธรรมบทนะอันนี้ก็เป็นคัมภีร์เลยนะคัมภีร์ธรรมบท เป็นส่วนงของปฏิปิดกที่พุทธภาสิตที่เรารู้จักนะหลายหลายบทนี้ก็มาจากธรรมบทนะอัตตเหตุตโนนาโถอะไรอย่างเี้เป็นต้นหรือว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนำสุขมาให้ทั้งภาสิตสั้นภาศิตยาวแล้วนผะู้ิงใหญ่นี่ก็ท่องได้หมดทั้่องเป็นวัยรุ่น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 เช่นสมเด็จพระพุทธสมเด็จสมเด็จที่วัดสุดวัดประเทพสลินนะประเทพสลินแล้วก็วัดสมณนัตพระวรนรัตนทัพแล้วก็สมเด็จเจริญองค์หลังนี้อาจารย์พระธาเคารพมากนะเพราะว่าแม้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นชั้นสมเด็จหรือว่าว่าการสังฆราชเลย แต่ว่ายังเสด็จไปเยี่ยมอาจารย์พุทธทาที่สวนโมกสมัยที่ท่านยังไม่ดังเพราะฉะนั้นอาจารย์พุทธทาก็ยังหมุ่งอยู่หน้อายุนักสาสิบกว่ากว่ายัอย่างนั้นส่วนสมเด็จท่านนี้ลำแปดสิบแล้วเดินก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระมหาเงื่อนนี้มีความรอบรู้แล้วก็มีความคิดที่แวกแนว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 ก็เรียกว่าก้าวหน้าเหมือนกันนะพระนี้ก็ น, นับถือแล้วเขาก็เรีอนว่าท่านสามารถที่จะระลึกชาติไดนะ้แล้วก็บางคนก็จงกับชัวนะ่วเนี่ยเป็นผู้ยิงใหญ่นี่เป็นพระอาริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งท่านท่านก็เขียนหนังสือออกมานะห้าเล่มเล็กๆนะซึ่งซึ่ง เรียกว่าหายากมากนดรมาติงกับนารินเนกุซาด้านต้นไปหาเจอจนได้หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์เมื่อ80ปีที่แล้วคนเขียนนี่เขียนโดยที่ไม่ระบุชื่อไม่ลงชื่อไม่ลงชื่อว่าใครเขียนซึ่งเหมือนกับว่าท่านอาจจะ เห็นว่าเรื่องธรรมะนี่เนะไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ว่าใครเขียนอาจจะเป็นเพราะว่าธรรเนียมของสมัยนั้นเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยนะไม่ไม่นา่าจะรู้ธรรมะมากแล้วท่านคงไม่อยากจะประกาศตัวหรืออวดตัวได้ว่ารู้ธรรมะ สมัยนั้นเนี่ยแปสิบปีที่แล้วนี่ก็มีความเข้าใจนะว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องของพระส่วนโยมก็ทาบุญไปนะหรือแม่ก็รักษาศีลยย่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วนี่ ก, ก, ก็ก็คิดว่าเนี่ยผู้หญิงจะเรื่องการศึกษาธรรมะเรื่องปริยัตนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่นาทีอันนี้เป็นประเพณีนะที่ที่ยัง คันข้งมันคงแน่นหนาในสมัยนั้นแต่คุณหญิงใหญ่นี่เรียกว่าแบกแนวแล้วก็ความรู้ธรรมะก็มากอา่แม่ชีกีกนันนายนก์ก่อข้าสวนหลวงเนี่ยก็คนเป็นคนรุ่นหลังก็ยังนับถือเลยนะว่ามันรู้ธรรมะได้ดีที่ท่านเขียนหนังสือธรรมะเนี่ยห้าเล่ม ก็เป็นเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งทนะนะัให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแต่ไม่ลงชื่อนะว่าใครเขียนแล้วนะคนอ่านก็ก็เลยนึกเอาว่าเป็นพระเขียนแล้วนะพอตอนหลังก็มีการเผยแผนะยพ่โดยในช่วงสามสิบปีหลัง โดยแพทเอาห้าเลยมาพิมพ์เป็นเล่มเล่มเดียวกันแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติอทีแรกก็พิมพ์โดยที่ไม่ระบุชื่อว่าใครเขียนเพราะไม่รู้่าใครแต่ตอนหลังคนพิมพ์นี่ก็บางคนก็เป็นนึกเอาว่าหลวงปู่มั่นเขียนหรือว่าเป็นบันทึกการสนทนาของหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์ก็เลยเติมใส่ชื่อลองปู่มั่นเข้ามาอันนี้พอใส่ชื่อลองปู่มั่นคนก็ยิ่งเออ่ รือเป็นเรื่องที่ต้องเผยแร่เนะพราะชื่อพระหลวงปู่บ้านเป็นอรหันตนะ์คำพูดทุกครังท่านเนี่ยก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยนิยมพิมพ์กันใหญ่เลยนะงานศพงานผ่ปาปางานท้อยคำทินหรือว่างานอะไรก็ตามตอหลังก็พิมพ์ปกแข่งนะพิมพ์ปกแข็งให้ดูให้ดูสมนะฐานะ ที่เป็นผลงานของหลวงปู่มัน่นจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็คงซาไปแล้วพอรู้ว่าไม่ใช่ผลงานหลวงปู่มั่นนะแต่ผลงานของอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งเอาคนไทยเรานี่เราก็ให้คุณค่ากับพระมากกว่าคารวะเยพอรู้ว่าเป็นผลงานคารวะก็ความความ ตื่นเต้นหรือว่าความรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิก็น้อยลงนั้นต่อหลังทั้งสือธรรมะธรรมปฏิบัติในช่วงสองสามปีสาสีที่ผ่านมาก็ไม่เคยจะมีการพิมพ์เผยแพร่ ก, กันอีกแล้วส่วนที่พิมพ์ก็ยังพอเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานหลวงปู่ ม, มันอันนี้ก็แสดงว่าความรู้ธรรมะของท่านนี่เรียกว่าในวนในเชิงปริญาปฏิบัตินี่ก็ถือว่า สูงพอที่คนจะเข้าใจว่าเป็นผลงานของหลวงปู่ ม, มั่นทีเดียวคือเป็นผลงานของพระอรหันต์เรื่องเล่าของท่านีนตอนหลังท่านก็เป็นผู้คลองเรือแล้วก็มีสามีนะแต่ว่าตนใจธรรมะมากกว่าตอนหลังก็บวชพอสามีตายก็บวชชนะีแต่ปฏิบัติอยู่เถวราชบุรี แล้วก็เสียชีวิตตอนอายุห้าสิบปดนะก็ยุ่ไม่มากวันที่เสียชีวิตนี่ก็สนใจในวะันสุดท้ายเนี่ยอาการก็แย่หมอก็มามาตรวจแต่แล้วหมอก็พูดว่าเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนะแม่ชีก็บอกว่าหมออย่ามาปลอบใจท่านเลยคนะือรู้อาการดีเสร็จแล้วก็ไปบอกว่าข อ, อนุโมทนาให้เป็นนิมนต์พระมาหน่อยนิมนต์พระที่คุณเคย พาท่านมาท่านก็คุณยิงใหญ่ก็บอกว่าข อ, อนุโมทัสดบทนั้นบทนี้คือพระไม่ได้สวดเองนะแต่ว่าคุณหญิงใหญ่เนี่ยไม่ชี้เนี่ยนะรู้ว่าบทไหนที่อยากจะน่าสวดก็อารัธนาให้สวดบทนั้นบทนี้นะก็คงจะเป็นบทที่สําคัญนะเช่นบทพทูดชงหรืออาจจะธรรมจักหรือว่าปฏิจจะบทที่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 ก็สิ้นชีวิตตอนขนาดที่ก้มเนี่ยฟุบเลยไปนะก้มเสร็จแล้วก็ฟุบไปเลยเรียกว่าตายในทาก้มกราบพราพาเนี่ยัยงแปลกใจเอ้าตายแล้วหรือเนี่ยเมื่อกี้งพิ่งคุยกันอยู่เลยเรียกว่ามีสัมปะชัญญะมีสตินะตลอดนะรู้ตัวตลอดนะขนาดที่ว่าใกล้จะตายเลยยังสนทนาธรรมได้ แล้วก็แล้วก็รู้ว่าใกล้ถึงเวลาแล้วพอรู้ถึงเวลาแล้วก็กราบพระเลยกราบพระเสก็สิ้นลมตอนนั้นนหละถ้าที่รู้นี่มีมีพระที่มรณาภาพในท่านี้เนี่ยมีมีท่านเดียวนะคือหลวงปู่เสากันต์ศรีโลท่พอรู้ว่าอาการหนักแล้วก็ให้พระมา พามาที่ที่โบสถ์นะหลวงปู่เสากราบพระกราบครบสามก็ก็นิ่งไปเลยเนะคนที่แรกนว่าอ้าวหลวงปู่นั่นหลับไปหรือไงกราบแล้วไม่กราบแล้วไม่ลุกนะอกก็ว่าไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงว่า คุณยิ่งใหญ่นเนี่ยนะก็เป็นคนที่มีธรรมะาพอสมควรเรียกว่าอาจจะเหนอกับพระทั่วไปด้วยซ้ำแล้ว อ, อาจจะอยู่ในระดับเดียวกันกับพระที่เป็นนักปฏิบัติสมไมก่อนพระที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในเมืองกันทั้งนั้นนะทั้ทงนั้นนี่หมาหมายถึงว่าที่อยู่ในเมืองก็เยอะนะไม่ได้ไปอยู่ในเมืองทั้งนั้น สมัยที่หลวงปู่มั่นยังไม่ดังเนี่ยพระที่ในเมืองนี้ในกรุงเทพก็มีพระที่ได้ราวกันยกย่องนับถือว่าเป็นพระปฏิบัตินี่อยู่หลายรูปอย่างที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยสมเด็จพระวรนรัตทัพวัชรเดชวุฒิโคศอาจารย์เจริญเนี่ยส่วนพระวรนรัต น, นี่ก็อยู่วัดสุมรณนัดสมเด็จเจ ร, ริญนี่ก็อยู่วัดเทษริน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 หลวงปู่มั่นคนก็ยังไม่ค่อยนับถือเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงปู่สิงห์เนี่ยก็มาจากเลขที่ไหนก็ไล่ไปที่นั่นไล่ออกไปจากที่นั้น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 เป็นตัวอย่างที่ชีอเห็นว่าผู้หญิงที่มีภูมิธรรมแล้วก็ภูมิปนะัญญาในเรื่องการปฏิบัติอันนี้ก็มีอยู่มาตั้งแต่อดีตแ ล, นะแล้วมาตินเนี้ยก็มาตินนี่แกก็ไปกำลังสืบสอบค้นคว้าคนอื่นอีกนะรวทั้งแม่ชีนะที่หลายคนช่วยเป็นพระอรหรันต์ กนับว่าแก่มีความเพียรพยายามมากแล้วก็มีความสามารถด้วยแล้คนไทยไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าฝรั่งต้องอาศัยฝรั่งเนี่ยที่เขาไปไปสืบไปจอบไปไปค้นไปคว้านะซึ่งต้องใช้ความเพี ย, พ ย, พ ย, พ ย, พยพรพยายามและเวลามากเพราะว่าาคนไทยไม่ค่อยบันทึกเอาไว้เรื่องพวกนี้แล้วก็คนที่คนที่รู้ก็แก่แล้วนะ เราก็ไม่รู้ใครรู้บ้างนะก็ต้องไปสุ่มเอาเรื่องผู้หญิงที่มีความรู้ทางธรรมนะท้งปริยแลปฏิบัตินี้ทนะี่จิมก็มีมาั้แต่สถาบันรตการแล้วนะนะเอตทักคะที่เป็นที่สุนนี้ที่เป็นอุบาสิกาไปเยอะบางคนนี่เก่งกว่าอาจารย์ด้วยในสถาบันรัตนะ ก, การนี่มีมี มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งเนี่ยพิษสุกปลุ่มหนึ่งจะเดินทางจะมากราบพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาไม่ทัน เ, นเป็นช่วงเข้าบัญษาใช่ก่อนก็เลยหยุดหาที่จำบัญษาตอนที่หยุดนั้นก็ไปไปหยุดที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อมามาติกา รองที่หาดจำพรรษานี้ก็มีโยมคนหนึ่งนะเป็นก็เรียกว่าเป็นพวกนี้เป็นระดับเศรษฐีนะอยู่ในเมืองนั้นชื่อมาติกะมาตานะมาตาก็แมนะ่ก็เห็นว่าผ้าเหล่านี้กําลังหาที่ที่จำพรรษาก็เลยนิมนต์ตัวมาติกามาตาเนี่ไม่เคยไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาไม่รู้เรื่องพระไม่รู้อะไรเลยนะคือดินแดนแถวนั้นเป็นดินแดนที่ไม่รู้จักพระ แต่ว่าด้วยความเมตตาแล้วก็เห็นว่าท่านสงบสัมมงก็นิมนต์ให้ท่านทั้งกลุ่มเลยนะมาจัรมาาในบริเวณนะที่ของท่านนะซึ่งคงจะอยู่ชั้นชานเมืองนะแล้วก็ปวารณาที่จะจัดหาอาหารมาถวายถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อ ได้รับนิมนต์ก็ตกลงว่าจะจำํำรรษาที่นั่นแล้วก็ตกลงกันว่าแยกย้ายกันไปปฏิบัติแยกย้ายกันไปปักกรดนะจะมาเจอกันก็ต่อเมื่อเป็นเวลาฉันรับบิณธบาเมื่อรับเมื่อฉันเสร็จก็แยกย้ายกันไปคนลทิศคลทางปฏิบัติเก็บตัวต่อเมื่อได้ยินเสียงระฆังนะหรือว่าสัญญาเนี่ยถึงค่อยมานัดค่อยมาเจอกัน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 มี่ก็มีพระมาจากเดินออกมาจากทิศ ต, ต่างๆคนละทิศคนละทางเลยนะมาติกัมาตาก็นึกว่าเนี่พระที่นี่สงสัยจะไม่ค่อยถูกกันนะก็เลยต่างคนต่างอยู่นะอันนี้คือไม่รู้ธรรมเนียมของพระนะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนใหม่มากตรสอบถามก็เลยได้ความว่าอ๋อพระนี่ท่านแยกท่านไม่ได้ทะเลาะ ก, กันนะ สามัคคีกันดีพร้อมเพรียงกันดีแล้วว่าตั้งใจปฏิบัติก็เลยแยกกันอยู่คนละทิศคนละทางมีกติกาว่าถ้าต่อเมื่อมีสัญญาณหนึ่งค่อยมาค่อยมาพบกันหรือค่อยมารวมกันอันนี้นำมติกามันเราก็เลยสนใจเอองั้นท่านปฏิบัติยังไงพระเรานั้นก็ตอบมาป ฏ, ปฏิบัติด้วยวิธีการเจริญไกด์ขตาสติไกดคตตาสติเป็นอย่างไรเนี่ย ท่านอธิบายก็อย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่อ่ะเกสาโลมานขาทันตาตจโณคือพิจารณาสังขารพิจารณ์ร่างกายนี้ว่ามันกอบไปด้วยทาสา3สิบสองะพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นต้นเป็นก้อนมันก็เป็นแค่ผลรวมของส่วนประกอบนะมันไม่มีตัวตนของมันเองนะมันก็มีแต่มันเกิดขึ้นมาจากการประกอบกันของสิ่งเล็กสิ่งน้อย เอาวิทยาศาสตกสองใกล้ข ต, ตาสตินี่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ก, ก็ได้นะเห็นว่าร่างกายนี่มันไม่สวยไม่งามหรือจะพิจารณาหเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนน่นมันเป็นเพียงแค่มันเกิดขึ้นจากส่วนประกอบต่างๆมามารวมกันถ้าส่วนประกอบนั้นหายไปหรือว่าบกพร่องสันแดนหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้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 อาจารย์ที่เป็นปุถุชนนะส่วนลูกศิษย์นี่ไปแล้วเป็นอนาคามียะล้าทั้งของศิรุี้ยังยังทําความเพียรอยู่แต่ว่าอุบาสิกาท่านนี้ภูมิธรรมนี่สูงขึ้นกว่ากว่าผ้าทั้งปวงอันนี้พระรูปเป็นปุถุชนก็สงสัยว่าเอออะไรทําให้การปฏิิทำไมท่านยังเป็นปุถุชนอยู่นะมีข้อขัดข้องอย่างไร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 แล้วก็ดูว่าใช้ก็อย่างรู้ดูวรจิตของพระนะอยู่เป็นประจำขาดมนขาดนี้เมื่อไหร่ก็เอามาถวายจนกระทั่งพระนี่รู้เลยนะว่าเนี่ยมาติกับมาตานี่น ะ, นะรู้วรจิตของพวกต น, นออกพรรษาแล้วก็เลยนะก็เลยพอไปฝ้าพรเจ้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พรเจ้าฟังนะตอนนี้ นางมารมติกามาตานี่บรรลุธรรมขั้นสูงนะยังรู้ว่าละจิตว่าตัวต้องการอะไรส่วนพระเหล่านั้นเนี่ยทอนหลังเนี่ยหมือบอกไปว่าเมื่อท่านได้ภาวนาเนี่ยแล้วก็ได้อาหารได้ได้บินทบาตที่อพอเพียงเนี่ยก็บรรลุธรรมนะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะก็เลยรู้ว่านางมติกามาตานี่ก็เป็นอริยบุคคลเหมือนกัน แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ผูเจ้าฟังเรื่องนี้ก็เลยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะว่าก็ตอนหลังก็มีการเล่าสืบเนื่องกันมาอนะีกนแต่ว่าทําให้มันสั้นลงก็เอาเท่านี้แหละที่เชื่อเห็นว่าบางทีเนี่ยอลูกศิษย์นี่ก็ไปไกลกว่าอาจารย์นะหรือ ว, ว่าครือัสธ์นี่ก็สามารถจะไปไกลกว่าพระได้ แล้วกันก็เชื่อเห็นว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอาหารนี่ก็สำคัญนะสัปเะย ะ, ะเวลาฉะนั้นแพเจ้าเนี่ยตัดเรื่องสัพเยะเนี่ยสัพเยะหมายถึงว่าสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติสัพเยะนี่เป็นไปเพื่อการปฏิบัตินะแต่ว่าของไทยเราเรามาอทิ์เราม า, า, ป า, มาแปลว่าสบายสัพเยะคือสบาย สบายของไทยคือว่าสบายแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นแต่สัพเพยะในภาษาบาลีเนี่ยหมายความว่าเป็นเครื่องช่วยนะตัวช่วยในเรื่องการปฏิบัติสบายแล้วไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่เรียกสัพพยะนะอ่าถ้าสัพเพ ย, <c oughs> ยะหนึ่งมันมีเจ็ประการข้อหนึ่งคือเรื่องอาหารอย่แลอาหารนี่ก็สำคัญเวลาพระอาจารย์ไปเยี่ยมลูกศิษย์เนี่ย มีคาหนึ่งรูปสิษ์สามรูปเนี่ยไปเล่นแบบปฏิบัติเนี่ยมีพระอนุรุทธ์พระกินพิรัก พ, พระนันทิยะนะสามรูปนี้เอตทักคาทั้งนั้นนะแต่ตอนนี้นคงตอนนี้นคงยังไม่บรรลุธรรมพรเจ้าเสร็จไปเยี่ยมประโยชน์แรกที่ถามคือว่าพอไหวไหมบินทบากพอไหมอยู่ยากไหม คือถามเรื่องความเป็นอยู่ทางทางทางกายกันเลยเพระเรื่องอาหารว่าพอไหมเพราะพระองค์เห็ความสําคัญนะว่าการปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าจะมีความตั้งใจมีความเพียรอย่างไรแต่ถ้าอาหารเนี่ยไม่พอนี่ยขาดแคลนอีกมันก็เป็นอุปสรรคการปฏิบัติได้นะพระพุเจ้าไม่ไม่ปฏิเสธเรื่องของวัตถุนะมันเกื้อกูล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 หรือว่าเนนเนี่ยก็สามารถจ ะ, ะก็มีภูมิธรรมสูงกับพระได้อย่างในพระในพระไตรในพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งเก่งมากในเรื่องปริยัติชื่อปติละนะแต่ว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ผู้ใจเวลาพบก็จะเรียกว่าพระใบลานเปล่าพระใบลานเปล่าตุจฉะปติละ พาลุนนี้ก็แม่เขาเจาหมายถึงอะไรตอนหลังก็ได้รั้วเนี่ยเป็นพ่อตัวเองเนี่ยรู้แต่ปริยัติเนี่ยแต่ว่าไ ม, ม่ไม่ปฏิบัติที่พระเจ้าเนี่ยทวงพาราลุนเถรูปุนนี้บ่อเพราะว่าคือไม่ปฏิบัติไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าไปหลงตัวว่าตัวเองเก่งนะฉันแน่ฉันรู้เยอะนะพระเจ้าก็เลยพูดว่าเลว่าพระใบลานเปล่าตอนหลังเนี่ย พระท่านปฎิละนี่ท่านก็เกิดความสำเนียกขึ้นมานะว่าเออใช่นะเรายังเรายังปฏิบัติน้อยเนี่ยเรารู้มากแต่เราปฏิบัติน้อยจะต้องหาจะต้องเร่งปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ต้องหาครูบาอาจารย์หาคุยใจไปหาครูบาอาจารย์ หลวไม่ได้สอนเองนะก็ให้โปธติล่าเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ในสำนักพล้วโปธิล่านี่ก็ไปถามพระแกะพ่พรรษารูปแล้วรูปเล่าว่าจะสอนให้ท่านจะสอนท่านได้ไหมแต่แล้วูปก็ปฏิเสธนะพราะคงจะระอาโปธติล่าเพราะเนื่องจากคงจะแสดงอิทธิฤทธิ์เอาไว้มากนะว่าหลงตัวว่ารู้มีความรู้เยอะ ก็ไม่มีใครรับที่จะเป็นอาจารย์รูปแล้วรูปเราลูแล้วลูบเล่าจนกระทั่งเหลือแต่เนนนเยพาทั้งวันนี้ไม่เอาแลวคนปติลานะเหลือแต่เนรเนรนี้มีภูมนินามสูงนะบรรลุธรรมเป็นพระาหันก็ถามเนนว่าจะสอนให้ได้ไหมอันเนนก็ก็รู้นะว่าเนี่ยตัวเงเป็นเนนี่จะท่าจะสอนพระ ป, ปติลาเนี่ย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 อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ที่เห็นว่าคนที่เราดูเหมือนว่าเล็กน้อยต่ําต้อยหรือว่าไม่ไม่มีความสามารถเนี่ยอย่าอย่าประมาทนะเพราะว่าอาจจะมีภูมิทําสูงกว่าก็ได้นะในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะนะเพื่อที่จะไม่ให้คนเราซึ่งก็สามารถจะสอนใจว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดอยู่กับ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 เรื่องราวเหล่านี้นพระไตรปิโกนี่มันสอนให้เราตระหนักว่าพวกนี้ไม่สำคัญแม้แต่เพศก็ไม่สำคัญอายุก็ไม่สำคัญอยู่ที่คุณธรรมข้างในมากกว่า